หนึ่งร้ยแปสิบเจ็ดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าบุคคลเป็นผู้ไม่ริษยาไม่ติดใจไม่หวั่นไหวจะม่ำเสมอในอายตนะทั้งปวงเราถูกถามถึงบุคคลผู้ไม่หวั่นไหวจึงบอกอานิสงส์นั้นว่าด้วยผู้ไม่ริษยาคำว่าบุคคลเป็นผู้ไม่ริษยาไม่ติดใจอธิบายว่าความไม่ริษยาเป็นอย่างไร คือคนบางคนในโลกนี้เป็นผู้ริษยะคือย่อมอิจฉาชิงชังผูกริษยาในลาบสักกะระการทําความเคารพการนับถือการกราบไหว้และการบูชาของผู้อื่นความริษยาการทําความริษยาความอิจฉากริยาที่อิจฉาภาวะที่อิจฉาความเกลียดชังกริยาที่เกลียดชังภาวะที่เกลียดชังเห็นปานนี้ น้ตรัสเรียกว่าความริษยาความริษยานี้ผู้ใดละได้แล้วตัดขาดได้แล้วทำให้สงบได้แล้วระงับได้แล้วทำให้เกิดขึ้นไม่ได้อีกเผาด้วยไฟคือยานแล้วผู้นั้นตรัสเรียกว่าผู้ไม่ริษยาคำว่าไม่ติดใจอธิบายว่าตั้นหาตรัสเรียกว่าความติดใจได้แก่ความกาหนัดความกำหนัดนัก อภิชาอากุศลมูลคือโลภะความติดใจนี้ผู้ใดละได้แล้วตัดขาดได้แล้วทำให้สงบได้แล้วระงับได้แล้วทำให้เกิดขึ้นไม่ได้อีกเผาด้วยไฟเค ย, ยานแล้วผู้นั้นตรัสเรียกว่าผู้ไม่ติดใจเขาไม่ติดในรูปไม่ติดใจคือไม่กาหนัดไม่สยบไม่หมกมุ่นในรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินกลิ่นรส โหดพาที่รับรู audience, ้และธรรมมรมที ah. ่พึงร <im> ู้แจ้งได้แก่เป็นผู้คลายความติดใจแล้วปราศจากความติดใจแล้วสละความติดใจแล้วคลายความติดใจแล้วปล่อยวางความติดใจแล้วละความติดใจแล้วสะละทิ้งความติดใจแล้วเป็นผู้คลายความกำหนัดแล้วปราศจากราคะแล้วสละราคะแล้วคลายราคะแล้ว ลอยวางราคะแล้วและราคะแล้วสลัดทิ้งราคะได้แล้วเป็นผู้หมดความอยากแล้วดับแล้วเย็นแล้วมีตนแอบประเสริฐสวยสุขอยู่รวมความว่าบุคคลเป็นผู้ไม่ริษยาไม่ติดใจว่าด้วยผู้ไม่หวั่นไหวคําว่าไม่หวั่นไหวสม่ําเสมอในไอตนะทั้งปวงอธิบายว่า ตัณหาตรัสเรียกว่าความหวั่นไหวคือความกำหนัดความกำหนัดนักอภิชาอากุศลโมลคือโลภะตัณหาที่ตรัสเรียกว่าความหวั่นไหวนี้บุคคลใดละได้แล้วคือตัดขาดได้แล้วทำให้สงบได้แล้วระ ง, งับได้แล้วทำให้เกิดขึ้นไม่ได้อีกเผาด้วยไฟเคยยานแล้วบุคคลนั้นตรัสเรียกว่าไม่หวั่นไหว เพราะเป็นผู้ละความวันไหวได้แล้วจึงชื่อว่าไม่วันไหวบุคคลนั้นย่อมไม่วันไหวไม่สะเทือนไม่เคลื่อนไหวไม่สะท้านไม่สันสะท้านเพราะได้ลาบเพราะเสื่อมลาบบ้างเพราะได้ยศเพราะเสื่อมยศบ้างเพราะสันเสริญเพราะนินทาบ้างเพราะสุขเพราะทุก์บ้างจึงชื่อว่าไม่วันไหวควาว่าสม่าเสมอในไอตนะทั้งปวง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 บุคคลนั้นตราดเรียกว่าสม่ำเสมอในอนายตนะทั้งปวงเขาเป็นผู้มั่นคงในอนายตนะทั้งปวงมีตนเป็นกลางในอนายตนะทั้งปวงวางเฉยในอนายตนะทั้งปวงรวมความว่าไม่หวันไหวสม่ำเสมอในอนายตนะทั้งปวงคำว่าเราถูกถามถึงบุคคลผู้ไม่หวันไหวจึงบอกอนิสงส์นั้นอธิบายว่า เราถูกถามถึงคือถูกขอถูกเชื้อเชิญถูกขอให้แสดงบุคคลผู้ไม่หวนไหวจึงบอกอนิสงส์สีเหล่านี้คือกล่าวบอกประกาศว่าบุคคลผู้ไม่ริษยาไม่ติดใจไม่หวนไหวสม่ำเสมอในอายตนะทั้งปวงรวมความว่าเราถูกถามถึงบุคคลผู้ไม่หวนไหวจึงบอกอนิสงส์นั้นด้วยเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าบุคคลเป็นผู้ไม่ริษยาไม่ติดใจไม่วันไหวสม่ำเสมอในอายตนะทั้งปวงเราถูกถามถึงบุคคลผู้ไม่วันไหวจึงบอกอานิสงส์นั้นหนึ่งแปพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอาภิสังขารไรๆย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่วันไหวรู้แจ่มแจ้ง เขางดเว้นแล้วจากการปรารพอภิสังขารย่อมมองเห็นความปลอดโปร่งในที่ทั้งปวงคำว่าผู้ไม่หวั่นไหวรู้แจ่มแจ้งอธิบายว่าตัณหาตรัสเรียกว่าความหวั่นไหวคือความกำหนัดความกำหนัดนักอภิชาอากุโสลมูลคือโลภะตัณหาที่ตรัสเรียกว่าความหวั่นไหวนี้บุคคลใดละได้แล้วตัดขาดได้แล้ว ทำให้สงบได้แล้วระงับได้แล้วทําให้เกิดขึ้นไม่ได้อีกเผา้ดยไฟคือยานแล้วบุคคลนั้นตรสเรียกว่าผู้ไม่หวนไหวเพราะเป็นผู้ละความหวนไหวได้แล้วจึงชื่อว่าผู้ไม่หวนไหวบุคคลย่อมไม่หวนไหวคือไม่จะเทือนไม่เคลื่อนไหวไม่สะทานไม่สันสัทานเพราะได้ลาบเพราะเสริมลาบบ้างเพราะได้ยศ เพราะเสื่อมยศบ้างเพราะสรนเสริญเพราะนินทาบ้างเพราะสุขเพราะทุกบ้างรวมความว่าผู้ไม่หวั่นไหวคำว่ารู้แจ่มแจ้งได้แก่รู้รู้ทั่วรู้แจ่มแจ้งคือรู้เฉพาะแทงตลอดว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์รู้รู้ทั่วรู้แจ่มแจ้งคือรู้เฉพาะแทงตลอดว่า สิ่งได้สิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วน ม, มีความดับไปเป็นธรรมดารวมความว่าผู้ไม่หวั่นไหวรู้แจ่มแจ้งคำว่าอภิสังขารไรๆย่อมไม่มีอธิบายว่าปุญญาพิสังขารอปุญญาพิสังขารอเนญชาพิสังขารตรัสเรียกว่าอภิสังขารปุญญาพิสังขารอปุญญาพิสังขาร และอนเนนชาภิสังขารเขาละได้เด็ดขาดแล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทําให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ด้วยเหตุใดด้วยเหตุเพียงเท่านี้อภิสังขารทั้งหลายย่อมไม่มีคือไม่มีอยู่ไม่ปรากฏหาไม่ได้เพื่ออภิสังขารเขาละได้แล้วตัดขาดได้แล้วทําให้สงบได้แล้ว ระ ง, งับได้แล้วทำให้เปิดขึ้นไม่ได้อีกเผาด้วยไฟคือยานแล้วรวมความว่าอภิสังขารไรๆย่อมไม่มีคำว่าเขางดเว้นแล้วจากการปรารภอภิสังขารอธิบายว่าปุญญาอภิสังขารอาปุญญาพภิสังขารอาเนชาพภิสังขารตรัสเรียกว่าอภิสังขาร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 มีใจเป็นอิสระจากอภิสังขารอยู่รวมความว่าเขางดเว้นแล้วจากการปรารบอภิสังขารคําว่าย่อมมองเห็นความปลอดโปร่งในที่ทั้งปวงอธิบายว่าราคะโทสะโมหะกิเลสทั้งหลายเป็นเหตุก่อภัยเพราะเป็นผู้ละราคะซึ่งเป็นเหตุก่อภัยเสียได้เพราะเป็นผู้ละกิเลสทั้งหลายซึ่งเป็นเหตุก่อภัย เขาจึงมองเห็นความปลอดโปร่งในที่ทั้งปวงคือมองเห็นความปลอดภัยในที่ทั้งปวงมองเห็นความไม่มีเสนียจันไรในที่ทั้งปวงมองเห็นความไม่มีอุปทวะในที่ทั้งปวงมองเห็นความไม่มีอุปสักในที่ทั้งปวงมองเห็นความไม่ติดขัดในที่ทั้งปวงรวมความว่าย่อมมองเห็นความปลอดโปร่งในที่ทั้งปวงด้วยเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าอภิสังขานไร่ไร่ย่อมไม่หนีแก่ผู้ไม่หวั่นไหวรู้แจ่มแจ้งเขางดเว้นแล้วจากการปรารบอภิสังขารย่อมมองเห็นความปลอดโปร่งในที่ทั้งปวงหนึ่งรอยแปสิบเกพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามุนีย่อมไม่กล่าวถึงตนในหมู่คนที่เสมอกันด้อยกว่าหรือเลิกกว่าเลย มูนีนั้นเป็นผู้สงบคลายความตระหณีไม่ยึดถือไม่ฉลาดชิ้งว่าด้วยคุณสมบัติของมุนีคำว่ามุนีย่อมไม่กล่าวถึงตนในหมู่คนที่เสมอกันด้อยกว่าหรือเลิกกว่าเลยอธิบายว่าญาณท่านเรียกว่าโมนะคือความรู้ทั่วยิริยาที่รู้ชัดผู้ก้าวล่วงกิเลสเครื่องคล้องและตัณหาดูกตระขายได้แล้ว ชื่อว่ามูนีมูนีย่อมไม่กล่าวถึงคือไม่พูดไม่บอกไม่แสดงไม่ชี้แจงว่าเราเลิกกว่าเขาเราเสมอเขาหรือเราด้อยกว่าเขารวมความว่ามูนีย่อมไม่กล่าวถึงตนในหมู่คนที่เสมอกันด้อยกว่าหรือเลิกกว่าเลยคำว่าเป็นผู้สงบในคำว่ามูนีนั้นเป็นผู้สงบคลายความตรนี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 มุนีนั้นเป็นผู้สงบคำว่าคลายความตรนีอธิบายว่ามัชเริยห้าอย่างคือหนึ่งอาวาสัมมัชริยความมุ่งแต่จะได้ตรัสเรียกว่าความตรหนีความตรนีนี้มุนีได้ละได้แล้วตัดขาดได้แล้วทำให้สงบได้แล้วระ ง, งับได้แล้วทำให้เกิดขึ้นไม่ได้อีกเผาด้วยไฟคือยานแล้ว มุนีนั้นตรัสเรียกว่าคลายความตรนีคือปราศจากความตรนีสละความตรนีคลายความตรนีปล่อยความตรนีและความตรนีสลัดทิ้งความตรนีรวมความว่ามูนีนั้นเป็นผู้สงบคลายความตรนีคําว่าไม่ยึดถือในคําว่าไม่ยึดถือไม่สะละทิ้งอธิบายว่าไม่ยึดถือ ไม่ถือเอาไม่เข้าไปยึดถือไม่ถือไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขติการถือกำเนิดปฏิสนธิพบสงสารไม่ยึดถือคือไม่ถือเอาไม่เข้าไปยึดถือไม่ถือไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่นไม่ละไม่บันเทาไม่ทำให้หมดสิ้นไปไม่ทำใหถึงความไม่มีอีกซึ่งวัฏตะ รวมความว่าไม่ยึดถือคําว่าไม่จะหลับทิ้งอธิบายว่าไม่ละไม่บันเทาไม่ทําให้หมดสิ้นไปไม่ทําให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งรูปคือไม่ละไม่บันเทาไม่ทําให้หมดสิ้นไปไม่ทําให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคติการถือกําเนิดปฏิสนธิพบ สงสารวัตตะรวมความว่าไม่ฉลาดทิ้งคําว่าพระผู้มีพระภาคเป็นคํากล่าวโดยความเคารพคําว่าพระผู้มีพระภาคนี้เป็นสัจจกาบัญญัติด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่ามูนีย่อมไม่กล่าวถึงตนในหมู่คนที่เสมอกันด้อยกว่าหรือเลิกกว่าเลยมูนีนั้นเป็นผู้สงบ คลายความตรณีไม่ยึดถือไม่ฉลัดทิ้งอัตตะทันทะสุตตนิเทศที่สิบห้าจบ 16. หสารีปุตตะสุตตนิเทศอธิบายสารีปุตตะสูตร ว่าด้วยพระสารีบุตรกล่าวสรรเสริญพระพุทธคุณพระสารีบุตรเทระจะกล่าวอธิบายจารีบุตรตสูตรดังต่อไปนี้หนึ่งรเก้าสิท่านพระสารีบุตรกล่าวดังนี้พระศาสดาผู้มีพระสุรเสียงไพเราะอย่างนี้ได้เสด็จจากภพดุสิตมาเป็นพระคนาจารย์ก่อนหน้านี้ข้าพเจ้าไม่เคยเห็นทั้งไม่เคยได้ยินจากใครๆมาเลย คำว่าก่อนหน้านี้ข้าพเจ้าไม่เคยเห็นอธิบายว่าก่อนหน้านี้ข้าพเจ้าไม่เคยเห็นพระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นด้วยตานี้ด้วยอัตภาพนี้เลยคือในการใดพระผู้มีพระภาคเสด็จออกพรรษาที่บรรดุกรรมพลศิลาอาทณโคนะไม้ปริจัตกะในภพดาวดึงอัหมูเทวดาแวดล้อมเสด็จลงสู่สังกัสสนานครทางบันไดแก้วมณี ตรงกลางในการนั้นเว้นการเห็นครั้งนี้ข้าพเจ้าไม่เคยเห็นในการก่อนเลยรวมความว่าก่อนหน้านี้ข้าพเจ้าไม่เคยเห็นคำว่าดังนี้ในคำว่าท่านพระสารีบุตรกล่าวดังนี้เป็นบทสนทิเป็นคำเชื่อมบทเป็นคำที่ทำบทให้บริบูรณ์เป็นความสัมพันธ์แห่งอักษรเป็นความสละสลวยแห่งพยัญชนะ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 คำว่าทั้งนี้เป็นคำเชื่อมบทหน้ากับบทหลังเข้าด้วยกันคำว่าใครๆได้แก่ใครๆคือผู้เป็นกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรครหัตบรรณชิตเทวดาหรือมนุษย์รวมความว่าทั้งไม่เคยได้ยินจากใครๆมาเลยว่าด้วยพระสุรเสียงของพระพุทธเจ้าประกอบด้วยองค์แป คำว่าพระศาสดาผู้มีพระสุรเสียงไพเราะอย่างนี้อธิบายว่าพระศาสดาผู้มีพระสุรเสียงไพเราะคือเป็นผู้มีพระสุรเสียงอ่อนหวานมีพระสุรเสียงเป็นที่ตั้งแห่งความรักมีพระสุรเสียงดูดดื่มฮะไทยมีพระสุรเสียงสนอกดุดเสียงนกกาโะเวกก็พระสุรเสียงที่ประกอบด้วยองค์แปดเปล่งออกจากพระโอษของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นคือ 1>, 1. สละสลวยสองเข้าใจง่ายสภไพเราะสหน่าฟังหกลมกลม่อมหไม่แปลงเจ็ 7. ลึกล้ำ 8. ปก้องกลางวานเมื่อใดพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงประกาศให้บริษัททราบด้วยพระสุรเสียงเมื่อนั้นพระสุรเสียงของพระองค์ไม่ออกไปนอกบริษัท พระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นมีพระสุรเสียงดุดเสียงพรมมีปกติตรัสไพเราะดุดเสียงนกกระเวกรวมความว่าพระาศาสดาผู้มีพระสุรเสียงไพเราะอย่างนี้คําว่าพระาศาสดาอธิบายว่าพระผู้มีพระภาคผู้ทรงนำหมู่ชื่อว่าพระาศาสดาเหมือนบุคคลผู้นำหมู่เกวียนย่อมนาหมู่เกวียนข้ามที่กันดาน ข้ามคือข้ามขึ้นข้ามออกข้ามพ้นที่กันดานเพราะโจรที่กันดานพระสัตว์ร้ายที่กันดานเพราะอดอยากที่กันดานเพราะขาดน้ำได้แก่ให้ถึงถินที่ปลอดภัยฉันใดพระผู้มีพระภาคผู้ทรงนำหมู่ย่อมทรงนำหมู่ข้ามที่กันดานข้ามคือข้ามขึ้นข้ามออกข้ามพ้นที่กันดานเพราะความเกิด ที่กันดานเพราะความแก่ที่กันดานเพราะความเจ็บป่วยที่กันดานเพราะความตายที่กันดานเพราะความเศร้าโศกความครื่ำครวญความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้งใจที่กันดานเพราะความกำหนัดที่กันดานเพราะความขัดเคืองที่กันดานเพราะความลุ่มหลงที่กันดานเพราะความถือตัวที่กันดานเพราะทิฐิที่กันดานเพระาะกิเลส ที่กันดามเพราะทุจริตคือความรกชัดเพราะความกาหนดความรกชัดเพราะความขัดเคืองความรกชัดเพราะความรุ่มหลงความรกชัดเพราะความถือตัวความรกชัดเพราะทิฏฐิความรกชัดเพราะกิเลสความรกชัดเพราะทุจริตได้แก่ให้ถึงอมตะนิพพานอันเป็นแดนเกษมชั้นนั้นเหมือนกันเพราะเหตุนั้น พระศาสดาจึงชื่อว่าผู้ทรงนำหมู่อย่างนี้บ้างอีกในหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้นำเป็นผู้นำไปโดยวิเศษเป็นผู้ตามแนะนําทรงให้รู้จักประโยชน์ให้พินิจพิจารณาให้เพ่งประโยชน์ทรงทําให้เลื่อมใสได้เพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงชื่อว่าผู้ทรงนำหมู่อย่างนี้บ้างอีกในหนึ่ง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 รวมความว่าพระาศาสดาผู้มีพระสุรเสียงไพเราะอย่างนี้ว่าด้วยพระพุทธเจ้าทรงเป็นพระคณาจารย์คำว่าได้เสด็จจากภพดุสิตมาเป็นพระคณาจารย์อธิบายว่าพระผู้มีพระภาคทรงจุติจากหมู่เทพชั้นดุสิตทรงมีสติสัมปชัญญะเสด็จลงสู่คันพระมานดารวมความว่าได้เสด็จจากภพดุสิต มาเป็นพระคนาจารย์อย่างนี้บ้างอีกในหนึ่งเราเทพตรัสเรียกว่าชาวดุสิตเทพเหล่านั้นยินดีพอใจชอบใจเบิก บ, บานใจเกิดปิติสมนัตว่าพระาศาสดาเสด็จจากเทวโลกชั้นดุสิตมาเป็นพระคนาจารย์รวมความว่าได้เสด็จจากภพดุสิตมาเป็นพระคนาจารย์อย่างนี้บ้างอีกในหนึ่ง พระอาหารหันต์ตรัสเรียกว่าชาวดุสิตพระอาหารหันต์เหล่านั้นยินดีพอใจชอบใจมีความดํ m ฤตบริบูรณ์ว่าพระศาสดาเสด็จมาสู่ความเป็นพระคนาจารย์ของพระอาหารหันต์ทั้งหลายรวมความว่าได้เสด็จจากภพดุสิตมาเป็นพระคนาจารย์อย่างนี้บ้างคำว่าพระคนาจารย์อธิบายว่าพระผู้มีพระภาคทรงเป็นพระคนาจารย์ ทรงเป็นอาจารย์แห่งหมู่คณะจึงชื่อว่าพระคณาจารย์ทรงเป็นศาสดาแห่งหมู่คณะจึงชื่อว่าพระคณาจารย์ทรงบริหารหมู่คณะจึงชื่อว่าพระคณาจารย์ทรงสั่งสอนหมู่คณะจึงชื่อว่าพระคณาจารย์ทรงตามสอนหมู่คณะจึงชื่อว่าพระคณาจารย์ทรงแกล้งกล้าเสด็จเข้าสู่หมู่คณะจึงชื่อว่าพระคณาจารย์ หมู่คณะย่อมตั้งใจฟังเงียโสถลงฟังพระองค์ตั้งจิตเพื่อความรู้จึงชื่อว่าพระคณาจารย์พระศาสดาทรงทำหมู่คณะให้ออกจากอากุศลแล้วให้ดำรงอยู่ในกุศลจึงชื่อว่าพระคณาจารย์ทรงเป็นพระคณาจารย์ของหมู่ภิสุ์หมู่ิิสุณีหมู่อุบาสกหมู่อุบาสิกาหมู่พระราชาหมู่กษัตริย์หมูพหม่พราม หมู่แพทย์หมู่สูตรหมู่เทพหมู่พรมจึงชื่อว่าพระคณาจารย์พระศ า, าสดาทรงเป็นผู้นําหมู่เป็นพระคณาจารย์เป็นอาจารย์แห่งหมู่คณะคําว่าเสด็จมาแล้วเล่กแก่ทรงเข้าไปทรงเข้าไปถึงทรงถึงพร้อมซึ่งสังกัดสานครแล้วรวมความว่าเสด็จจากพบดุสิตมาเป็นพระคณาจารย์ ด้วยเหตุนั้นพระสารีบุตรเทระจึงกล่าวว่าพระศาสดาผู้มีพระสุรเสีงยงไพเราะอย่างนี้ได้เสด็จจากภพดุสิตมาเป็นพระคนาจารย์ก่อนหน้านี้ข้าพเจ้าไม่เคยเห็นทั้งไม่เคยได้ยินจากใครๆมาเลยหนึ่งร้อ้าสบเอดพระสารีบุตรกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคผู้มีพระจักสุย่อมปรากฏแก่ชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลก ทรงกำจัดความมืดทั้งโปง่งทรงเป็นเอกบุรุษบรรลุความยินดีแล้วคำว่าแก่ชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลกอธิบายว่าแก่ชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกแก่หมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมเทวดาและมนุษย์รวมความว่าแก่ชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลก ว่าด้วยพระพุทธเจ้าปรากฏแก่เทวดาและมนุษย์คำว่าพระผู้มีพระภาคผู้มีพระจักสุย่อมปรากฏอธิบายว่าพวกเทวดามองเห็นพระผู้มีพระภาคผู้ประทับนั่งเหนือพระแทน่นบรรดุกรมพลศิลาอาจนณโคนต้นปาริชัตกะต้นทองหลางในภพดาวดึงทรงแสดงธรรมอยู่อย่างใดพวกมนุษย์ก็เห็นอย่างนั้น พวกมนุษย์เห็นอย่างใดพวกเทวดาก็เห็นอย่างนั้นทรงปรากฏแก่พวกเทพอย่างใดก็ทรงปรากฏแก่พวกมนุษย์อย่างนั้นทรงปรากฏแก่พวกมนุษย์อย่างใดก็ทรงปรากฏแก่พวกเทพอย่างนั้นรวมความว่าพระผู้มีพระภาคผู้มีพระจักรสุย่อมปรากฏอย่างนี้บ้างอีกในหนึ่งสมณพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านี้ยังไม่ได้ฝึกตน ก็ปรากฏโดยเพศแห่งบุคคลผู้ฝึกแล้วยังไม่ได้สงบก็ปรากฏโดยเพศแห่งบุคคลผู้สงบแล้วยังไม่ได้เข้าไปสงบก็ปรากฏโดยเพศแห่งบุคคลผู้เข้าไปสงบแล้วยังไม่ได้ดับก็ปรากฏโดยเพศแห่งบุคคลผู้ดับแล้วสมจริงดังพาสิตว่าสมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้ไม่บริสุทธิ์ภายในงามแต่ภายนอกมีบริวารหอบล้อมทเที่ยวไปในโลก เหมือนคนโทนดินหุ้มทองคำและเหรียญโลหะครึ่งมาศกชุบทองคำาฉะนั้นพระผู้มีพระภาคย่อมไม่ทรงปรากฏอย่างนี้บ้างพระผู้มีพระภาคทรงฝึกพระองค์แล้วย่อมทรงปรากฏโดยเพศแห่งผู้ฝึกแล้วทรงสงบแล้วย่อมทรงปรากฏโดยเพศแห่งผู้สงบแล้วทรงเข้าไปสงบแล้วย่อมทรงปรากฏโดยเพศแห่งผู้เข้าไปสงบแล้ว ทรงดับแล้วย่อมทรงปรากฏโดยเพศแห่งผู้ดับแล้วโดยความจริงแท้ถ่องแท้แน่นอนไม่วิปริตตามสภาพพระผู้มีพระภาคทั้งหลายผู้ทรงเป็นพระพุทธเจ้าผู้ทรงมีอิรยาบทตามปกติทรงสมบูรณ์ด้วยปณิธิการตั้งความปรารถนารวมความว่าพระผู้มีพระภาคผู้มีพระจักสุย่อมปรากฏอย่างนี้บ้าง อีกในหนึ่งพระผู้มีพระภาคมีพระเกีย ร, รติอันบริสุทธิ์ทรงเพียรพร้อมด้วยพระกิติศัพท์และความสรรเสริญทรงเป็นเช่นนี้เป็นเช่นนั้นและทรงเป็นยิ่งกว่านั้นในพบหน้าพบครุฑพบยักษ์พบอสูรพบคนทันพบเท้ามหาราชพบพระอินทร์พบพระพรหมและพบเทพรวมความว่าพระผู้มีพระภาคผู้มีพระจักรสุย่อมปรากฏ อย่างนี้บ้างอีกในหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงเพียรพร้อมด้วยพระสิบเวสารัิยานสี่ปฏิสัมพิทาสี่อภิญยาหกพุทธธรรมหกย่อมทรงปรากฏคือคนรู้จักคนเข้าใจได้ด้วยพระเตชธรรมพระพละธรรมพระคุณธรรมและวิริยะและพระปัญญาสมจริงดังพาสิทธว่า อาสาบุรุษย่อมปรากฏในที่ไกลเหมือนภูเขาหิมะพานฉะนั้นอาสาบุรุษทั้งหลายณที่นี้ย่อมไม่ปรากฏเหมือนลูกศรที่ยิงไปเวลากลางคืนฉะนั้นรวมความว่าพระผู้มีพระภาคผู้มีพระจักสุย่อมปรากฏอย่างนี้บ้างว่าด้วยพระจักสุห้าชนิดคำว่าผู้มีพระจักสุอธิบายว่า พระผู้มีพระภาคมีพระจักสุ ด, ด้วยพระจักสุห้าชนิดคือหนึ่งมีพระจักสุด้วยมังสะจักขูบ้างสองมีพระจักสุด้วยทิพจักขูบ้างสมีพระจักสุด้วยปัญญาจักขูบ้างสมีพระจักสุด้วยพุทธจักขูบ้างหมีพระจักสุด้วยสมันตะจักขูบ้าง พระผู้มีพระภาคมีพระจักสุด้วยมังสะจักขุเป็นอย่างไรคือในพระมังสะจักขุของพระผู้มีพระภาคมีอยู่ห้าสีคือหนึ่งสีเขียวสองสีเหลืองสามสีแดงสี่สีดำห้าสีขาวณนะที่ที่มีขนพระเนตขึ้นมีสีเขียวเขียวสนิทน่าชมน่าดูดุดดอกผักตก ต่อจากนั้นก็เป็นสีเหลืองเหลืองสนิทสีเหมือนทองคำํำน่าชมน่าดูดุจ ด, ดอกกระนิกาเบาพระเนธทั้งสองข้างของพระผู้มีพระภาคมีสีแดงแดงสนิทน่าชมน่าดูดุจสีปีกแมลงทับกลางดวงพระเนตรสีดําดําเข้มไม่เจ้ามองสนิทน่าชมน่าดูดุจสีสมอดําต่อจากนั้นเป็นสีขาวขาวสนิท เปล่งลั่งขาวนวล น, น่าชมน่าดูดุจสีดาวประกายพรึกพระผู้มีพระภาคมีพระมังสะจักขูนั้นอยู่โดยปกติเนื่องในพระอัฏภาพเกิดด้วยสุจริกรรมที่ทรงสังสมมาในพบก่อนทรงมองเห็นตลอดหนึ่งโยตโดยรอบทั้งกลางวันและกลางคืนแม้ในเวลาที่มีความมืดประกอบด้วยองศีคือหนึ่งดวงอาทิตย์ตกไปแล้ว สองเป็นวันอุโบสถข้างแรมสามป่าชัดรกทึบสี่มีเมฆก้อนใหญ่ผุดขึ้นมาในความมืดที่ประกอบด้วยองคสีอย่างนี้พระองค์ก็ทรงมองเห็นได้ตลอดหนึ่งโยต์โดยรอบไม่มีหลุมบานประตูกำแพงภูเขาปอไม้หรือเถาวันมาปิดกัน้นการเห็นรูปทั้งหลายได้หากบุคคลเอางามล็ดเดียวทำเครื่องหมาย แล้วใส่ลงในเควียนบรรทุกงาพระผู้มีพระภาคก็ทรงสามารถยิบเอางามเล็กนั้นขึ้นมาได้พระมังสะจักขุตามปกติของพระผู้มีพระภาคบริสุทธิ์อย่างนี้พระผู้มีพระภาคชื่อว่ามีพระจักสุด้วยมังสะจักขุเป็นอย่างนี้พระผู้มีพระภาคมีพระจักสุด้วยชิพจักขุเป็นอย่างไรคือพระผู้มีพระภาคทรงเห็นหมูสัตว์ซึ่งกาลังจุติ กำลังอุบัติเลวพระณี่ผิวพันธ์ดีผิวพันธ์ามไปดีตกยากด้วยที่ประจักขู่อันหมดจดล่วงจากสุมนุษย์ทรงทราบหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าสัตว์เหล่านี้แหละหนอประกอบด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตติเตียมพระอริยเป็นมิจฉาทิิยึดถือการกระทำด้วยอำนาจมิจฉาทิิหลังจากตายแล้ว สัตว์เหล่านั้นก็เข้าถึงอบายทุกปติวินิบาตเนรกแต่สัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่ติเตียนพระอริยะเป็นสัมมาทิฏฐิยึดถือการกระทำด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิหลังจากตายแล้วสัตว์เหล่านั้นก็เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์พระผู้มีพระภาคทรงเห็นหมู่สัตว์ซึ่งกำลังจุติกําลังอุบัติ เลวประณีตผิวพันธ์ดีผิวพันธ์ซามไปดีตกยากด้วยทิปจักขู่อันหมดจดล่วงจากสุมนุษย์ทรงซากมูสัตผู้เป็นไปตามกรรมและพระผู้มีพระภาคเมื่อทรงประสงค์พึงทรงเห็นได้แม้หนึ่งโลกธาตุแม้สองโลกธาตุแม้สามโลกธาตุแม้สี่โลกธาตุแม้ห้าโลกธาตุแม้สิบโลกธาตุแม้ยี่สิบโลกธาตุ แม mm ้สาสิบโลกธาตุแม้ส mm hmm. mm hmm. mm hmm. ี่สิบโลกธาตุแม้ห้าสิบโลกธาตุแม้ร้อยโลกธาตุแม้โลกธาตุขนาดเล็กประกอบด้วยพันจักรวาลแม้โลกธาตุขนาดกลางประกอบด้วยสองพันจักรวาลแม้โลกธาตุขนาดใหญ่ประกอบด้วยสามพันจักรวาลแม้โลกธาตุที่ประกอบด้วยหลายพันจักรวาลพระผู้มีพระภาคทรงพระประสงค์เพียงใด ก็พึงทรงเห็นได้เพียงนั้นที่พระจักขุของพระผู้มีพระภาคบริสุทธิ์อย่างนี้พระผู้มีพระภาคชื่อว่ามีพระจักสุด้วยที่พระจักษุเป็นอย่างนี้พระผู้มีพระภาคมีพระจักสุด้วยปัญญาจักขุเป็นอย่างไรคือพระผู้มีพระภาคผู้มีพระปัญญามากมีพระปัญญากว้างขวางมีพระปัญญาอาถานมีพระปัญญาฉับไว มีพระปัญญาเฉียบคมมีพระปัญญาเพิกถอนกิเลสได้ทรงฉลาดในประเภทแห่งปัญญามีพระญาณแตกฉานทรงบรรลุปฏิสัมพิทาทรงบรรลุเวสารชยานสี่ทรงเป็นผู้ทรงทศพลญาณทรงเป็นบุรุษองค์อาจทรงเป็นบุรุษดุจราชสีทรงเป็นบุรุษดุจนาบทรงเป็นบุรุษอาชาในทรงเป็นบุรุษผู้เอาโทระ มีพระยานหาที่สุดไม่ได้มีพระเดชหาที่สุดไม่ได้มีพระยศหาที่สุดมิได้ทรงมั่งคั่งมีทรัพย์มากทรงมีปัญญาเป็นทรัพย์ทรงเป็นผู้นำเป็นผู้นำไปโดยวิเศษเป็นผู้ตามแนะนำทรงให้รู้จักประโยชน์ให้พินิจพิจารณาทรงเพ่งประโยชน์ทรงทำให้เลื่อมใสได้พระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้น ทรงทรมรรคที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นทรงทรมรรคที่ยังไม่เกิดพร้อมให้เกิดพร้อมตรัสบอกมรรคที่ยังไม่ได้ตรัส บ, บอกทรงรู้จกักมรรคทรงรู้แจ้งมรรคทรงฉลาดในมรรคและสาวกของพระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นผู้ดำเนินไปตามมรรคอยู่ในบัดนี้จะเพียพร้อมด้วยจีลาที่คุณในภายหลังพระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นทรงรู้ธรรมที่ควรรู้ ทรงเห็นธรรมที่ควรเห็นมีพระจักสุมีพระธรรมมีพระญาณเป็นดุจพระพรมตรัสบอกนำความหมายออกมาประธานอมตะธรรมเป็นพระธรรมสามีเป็นพระตถาคตไม่มีสิ่งที่พระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นยังไม่ทรงทราบไม่ทรงเห็นไม่ทรงรู้แจ้งไม่ทรงทําให้แจ้งไม่ได้ทรงถูกต้องด้วยปัญญา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 ประโยชน์ลี้ลับหรือประโยชน์ปิดบังประโยชน์ที่ควรแนะนำหรือประโยชน์ที่แนะนำแล้วประโยชน์ที่ไม่มีโทษหรือประโยชน์ที่ไม่มีกิเลสประโยชน์ที่ผ่องแผ้วหรือประโยชน์อย่างยิ่งประโยชน์ทั้งหมดนั้นย่อมเป็นไปภายในพระพุทธญาณพระญาณของพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าไม่ติด ข, ขัดในอดีตอนาคตปัจจุบันกายกรรมวชีกรรมมโนกรรมทุกอย่าง ย่อมเป็นไปตามพระยานของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าบทธรรมที่ควรแนะนํามีอยู่เพียงใดพระยานก็มีเพียงนั้นพระยานมีอยู่เพียงใดบทธรรมที่ควรแนะนําก็มีเพียงนั้นพระยานย่อมมีบทธรรมที่ควรแนะนําเป็นส่วนสุดรอบบทธรรมที่ควรแนะนํำก็ย่อมมีพระยานเป็นส่วนสุดรอบพระยานย่อมไม่เป็นไปเกินบทธรรมที่ควรแนะนํา ทางแห่งบทธรรมที่ควรแนะนำก็มีอยู่ไม่เกินกว่าพระญาณธรรมเหล่านั้นตั้งอยู่ในส่วนสุดรอบของกันและกันเหมือนชั้นผระอบสองชั้นทับกันสนิทพอดีชั้นผระอบด้านล่างก็ไม่เฟินด้านบนชั้นผระอบด้านบนก็ไม่เฟินด้านล่างชั้นผระอบทั้งสองย่อมวางประกบกันที่ส่วนสุดโดยรอบของกันและกันชั้นใด บทธรรมที่ควรแนะนำและพระยานของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าก็ตั้งอยู่ในส่วนสุดรอบของกันและกันชั้นนั้นเหมือนกันบทธรรมที่ควรแนะนำมีอยู่เพียงใดพระยานก็มีอยู่เพียงนั้นพระยานมีอยู่เพียงใดบทธรรมที่ควรแนะนำก็มีเพียงนั้นพระยานย่อมมีบทธรรมที่ควรแนะนำเป็นส่วนสุดรอบบทธรรมที่ควรแนะนำก็ย่อมมีพระยานเป็นส่วนสุดรอบ พระญาณย่อมไม่เป็นไปเกินกว่าบทธรรมที่ควรแนะนำทางแห่งบทธรรมที่ควรแนะนำก็มีอยู่ไม่เกินกว่าพระญาณธรรมเหล่านั้นย่อมตั้งอยู่ในส่วนสุดรอบของกันและกันพระญาณของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าย่อมเป็นไปในธรรมทั้งปวงธรรมทั้งปวงนับเนื่องด้วยความนึกนับเนื่องด้วยความหวังนับเนื่องด้วยมนัสการนับเนื่องด้วยจิตุบาตของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า พระยานของพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าย่อมเป็นไปนในสัตว์ทั้งปวงพระผู้มีพระภาคทรงทราบอธิยาสัยอนุสัยเจริตอธิมุติของเหล่าสัตว์ทุกจำพวกทรงรู้จากเหล่าสัตว์ผู้มีกิเลสดูทุลีน้อยในปัญญาจักขุมีกิเลสดูทุลีมากในปัญญาจักขุมีอินทรีย์แก่กล้ามีอินทรีย์อ่อนมีอาการดีมีอาการซ้ำผู้ที่แนะนำให้รู้ได้ง่าย ผู้ที่แนะนําให้รู้ได้ยากเป็นพรพพัสสัตเป็นอภพพัสสัตโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกมูสัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ย่อมเป็นไปภายในพระพุทธญาณปลาและเต่าชนิดใดชนิดหนึ่งรวมทั้งปลาติมิปลาติมิงคละและปลาติมิติมิงคะระย่อมเป็นไปอยู่ภายในมหาสมุทรฉันใด โลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ย่อมเป็นปายภายในพระญาณของพระพุทธเจ้าฉันนั้นเหมือนกันนกชนิดใดชนิดหนึ่งรวมทั้งครุดนามว่าเวนไตยย่อมบินไปในห่วงแห่งอากาศฉันใดพระพุทธสาวกทั้งหลายผู้เสมอขับพระสารีบุตรด้วยปัญญา ย่อมเป็นไปในส่วนแห่งพระพุทธญาณฉันนั้นเหมือนกันพระพุทธญาณย่อมแผ่ครอบคลุมปัญญาของเทวดาและมนุษย์อยู่เราบัณฑิตผู้เป็นกษัตริย์เป็นพราหมณ์เป็นข้าพเดีเป็นสมณะผู้มีปัญญาละเอียดรู้วาทะของผู้อื่นเหมือนนายขมังธนูสามารถยิงเนื้อสายได้ดุจจะเที่ยวทำลายทิฐิของผู้อื่นด้วยปัญญาตนบัณฑิตเหล่านั้นพากันปรุงแต่งปัญหา ย่อมเข้าไปเฝ้าพระตถาคตทูลถามปัญหาที่ลี้ลับและปิดบังปัญหาเหล่านั้นที่พระผู้มีพระภาคทรงซักไซและตรัสแก้แล้วเป็นปัญหามีเหตุให้ทรงแสดงบัณฑิตเหล่านั้นถูกดึงดูดด้วยการวิจัรนาปัญหาจึงเลื่อมสายพระผู้มีพระภาคโดยที่แท้พระผู้มีพระภาคย่อมทรงรุ่งเรืองยิ่งด้วยพระปัญญาในหมู่คนเหล่านั้น พระผู้มีพระภาคชื่อว่ามีพระจักสุด้วยปัญญาจักขุเป็นอย่างนี้พระผู้มีพระภาคมีพระจักสุด้วยพุทธจักขุเป็นอย่างไรคือพระผู้มีพระภาคเมื่อทรงตรวจดูสัตว์โลกด้วยพุทธจักขุได้ทรงเห็นสัตว์ทั้งหลายผู้มีกิเลสดุทุลีน้อยในปัญญาจักขุผู้มีกิเลส ด, ดุทุลีมากในปัญญาจักขุมีอินทรีย์แก่กลา้ามีอินทรีย์อ่อน มีอาการดีมีอาการซามผู้ที่แนะนำให้รู้ได้ง่ายผู้ที่แนะนำให้รู้ได้ยากบางพวกเป็นผู้เห็นโทษและภัยในประโลกอยู่ก็มีบางพวกเป็นผู้ไม่เห็นโทษและภัยในปรโลกอยู่ก็มี เ, เหมือนเนกอบัวเขียวเนกอบัวแดงหรือเนกอบัวขาวดอกบัวเขียวดอกบัวแดงหรือดอกบัวขาวบางเหล่าเกิดในน้าเจริญในน้า ขึ้นตามน้ำจมอยู่ในน้ำและน้ำหล่อเลี้ยงไว้ดอกบัวเขียวดอกบัวแดงหรือดอกบัวขาวบางเหล่าเกิดในน้ำจเจริญในน้ำตั้งอยู่เสมอผิวน้ำดอกบัวเขียวด อ, ดอกบัวแดงหรือดอกบัวขาวบางเหล่าเกิดในน้ำจเจริญในน้ำโผล่ขึ้นพ้นระดับน้ำน้ำไม่ติดเปื้อนอยู่เลยฉันใด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 บางพวกเป็นผู้ที่ไม่เห็นโทษและภัยในปรโลกอยู่ก็มีฉันนั้นเหมือนกันพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าบุคคลนี้มีราคะจริตบุคคลนี้มีโทสะจริตบุคคลนี้มีโมหจริตบุคคลนี้มีวิตกจริตบุคคลนี้มีศรัทธจริตบุคคลนี้มีญาณจริต พระผู้มีประภาคย่อมตรัสอสุภาคถาแก่บุคคลราคะจริตตรัสการเจริญเมตตาแก่บุคคลโทสะจริตย่อมทรงแนะนำบุคคลโมหะจริตให้ดารงอยู่ในการเล่าเรียนการไต่าถามการฟังทำตามการการสนทนาทำตามการการอยู่ร่วมกับครูย่อมตรัสอาณาปานสติแก่บุคคลวิตกจริตตรัสบอกนิมิต ท, ที่น่าเลื่อมใส ความตรัสรูชอบของพระพุทธเจ้าความเป็นธรรมดีแห่งพระธรรมการปฏิบัติชอบของพระสงฆ์และศีลของตนที่น่าเลื่อมใสแก่บุคคลศรัทธาจริตย่อมตรัธรรมอันเป็นนิมิตแห่งวิปัสสนามีอาการไม่เที่ยงมีอาการเป็นทุกข์มีอาการเป็นอนัตตาแก่บุคคลญาณจริตสมจริงดังคาถาประพันธ์ว่าข้าแต่พระองค์ผู้มีปัญญาดีมีจมันตะจักขุ บุรุษผู้ยืนอยู่บนยอดภูเขาสิลาล้วนพึงเห็นหมู่ชนโดยรอบแม้ชันใดพระองค์ผู้หมดความโศกแล้วโปรดเสด็จขึ้นสู่ประสาทคือธรรมจากได้เห็นหมู่ชนผู้ตกอยู่ในความเศร้าโศกและถูกชาติชราครอบเมือมได้ชัดเจนฉันนั้นพระผู้มีพระภาคชื่อว่ามีพระจักสุด้วยพุทธจักขุเป็นอย่างนี้ พระผู้มีพระภาคมีพระจักสุด้วยสมันตะจักขุเป็นอย่างไรคือพระสัพพัญยุตยานตรัาเรียกว่าสมันตะจักขุพระผู้มีพระภาคทรงประกอบประกอบพร้อมดำเนินไปดำเนินไปพร้อมเป็นไปเป็นไปพร้อมเพีย่พร้อมแล้วด้วยพระสัพพัญยุตยานสมจริงดังคาถาพระพันธ์ว่าสิ่งไรในไตรโลกธาตุนี้ พระปัญญาจากขุของพระตถาคตนั้นไม่เห็นไม่มีเลยอันหนึ่งธรรมชาติอะไรอะไรที่ควรรู้พระพุทธญาณไม่รู้แจ้งก็ไม่มีธรรมชาติที่ควรแนะนําใดมีอยู่พระตถาคตได้ทรงทราบธรรมชาติที่ควรแนะนํานั้นทั้งหมดเพราะเหตุนั้นพระตถาคตจึงชื่อว่าผู้มีสมัญตะจากขุพระผู้มีพระภาคชื่อว่ามีพระจากสุด้วยสมัญตะจากขุ เป็นนอย่างี้รวมความว่าพระผู้มีพระภาคผู้มีพระจักสุย่อมปรากฏคําว่าทรงกำจัดความมืดทั้งปวงอธิบายว่าทรงบรรเทาทำให้เบาบางลดละกำจัดคือทำให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งความมืดเพราะราคะความมืดเพราะโทสะความมืดเพราะโมหะความมืดเพราะมานะ ความมืดเพราะทิฏฐิความมืดเพราะกิเลสความมืดเพราะทุจริตทั้งปวงซึ่งทำให้เป็นคนตาบอดทำให้ไม่มีจักสุทำให้ไม่มียานอันดับปัญญาเป็นไปในฝ่ายแห่งความลำบากไม่เป็นไปเพื่อ น, นิพพานรวมความว่าทรงกาจัดความมืดทั้งปวงว่าด้วยพระพุทธเจ้าทรงเป็นเอกบุรุษคำว่าทรงเป็นเอกบุรุษ บรรลุความยินดีแล้วอธิบายว่าพระผู้มีพระภาคชื่อว่าทรงเป็นเอกบุรุษเพราะส่วนแห่งการบรรพชาชื่อว่าทรงเป็นเอกบุรุษเพราะอธิบายว่าไม่มีเพื่อนชื่อว่าทรงเป็นเอกบุรุษเพราะอธิบายว่าทรงละตันหาได้ทรงปราศจากราคะโดยสิ้นเชิงจึงชื่อว่าทรงเป็นเอกบุรุษทรงปราศจากโทสะโดยสิ้นเชิง จึงชื่อว่าทรงเป็นเอกบุรุษทรงปราศจากโมหะโดยสิ้นเชิงจึงชื่อว่าทรงเป็นเอกบุร말말ุษทรงปราศจากกิเลสโดยสิ้นเชิงจึงชื่อว่าทรงเป็นเอกบุรุษเสด็จถึงทางสายเอกแล้วจึงชื่อว่าทรงเป็นเอกบุรุษตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจึงชื่อว่าทรงเป็นเอกบุรุษพระผู้มีพระภาคชื่อว่าทรงเป็นเอกบุรุษ เพราะส่วนแห่งการบรรพชาเป็นอย่างไรคือพระผู้มีพระภาคยังทรงหนุ่มแน่นมีพระเกษาดำสนิทดีเพียพร้อมด้วยความหนุ่มเจกันในปฐมวัยเมื่อพระชนกและพระชนนีมีน้ำพระเนตรนองพระพักกันแสงร่ําให้ไม่ปรารถนาให้ทรงผนวดทรงละหมู่พระญาติทรงตัดความกังวลด้วยประยศความกังวลด้วยพระโอรสและพระมเหสี ความกังวลด้วยพระญาติความกังวลด้วยพระสหายและอมากและความกังวลด้วยการสังสมทุกอย่างทรงปรงพระเกียษาและพระมสุทรงครองผ้ากาสาว ะ, สะเสด็จออกพนวจากพระราชวังเป็นบรรพชิตทรงเข้าถึงความเป็นผู้ไม่มีกังวลสเสด็จเที่ยวไปประทับอยู่ทรงเปลี่ยนอิริยาบถทรงเป็นไปทรงรักษาพระชนม์ชีพทรงดำเนินไป ทรงยังชีวิตให้ดำเนินไปตามลําพังพระองค์เดียวพระผู้มีพระภาคชื่อว่าทรงเป็นเอกบุรุษเพราะส่วนแห่งการบรรพชาเป็นอย่างนี้พระผู้มีพระภาคชื่อว่าทรงเป็นเอกบุรุษเพราะอธิบายว่าไม่มีเพื่อนเป็นอย่างไรคือพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงผนวดแล้วอย่างนี้ทรงใช้สา ย, สยเสนาชนะที่เป็นป่าทึบและป่าละมาะอันสงัด มีเสียงน้อยมีเสียงเอือกระทึกน้อยปราศจากการสัญจรไปมาของผู้คนควรเป็นสถานที่ทำการลับของมนุษย์สมควรเป็นที่หลีกเร้นตามลำพังพระองค์เดียวพระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นเสเด็จไปพระองค์เดียวประทับยืนพระองค์เดียวประทับนั่งพระองค์เดียวบรรทมพระองค์เดียวเสเด็จเข้าสู่หมู่บ้านเพื่อบิณฑบาพระองค์เดียวเสเด็จกลับพระองค์เดียว ประทับนั่งในที่รับพระองค์เดียวตั้งพระไทยจงกรมพระองค์เดียวเสด็จเที่ยวไปประทับอยู่ทรงเปลี่ยนอิริยาบถ ท, ทรงเป็นไปทรงรักษาพระชนม์ชีพทรงดำเนินไปทรงยังชีวิตให้ดำเนินไปลำพังพระองค์เดียวพระผู้มีพระภาคชื่อว่าทรงเป็นเอกบุรุษเพราะอธิบายว่าไม่มีเพื่อนเป็นอย่างนี้ พระผู้มีพระภาคชื่อว่าทรงเป็นเอกบุรุษเพราะอธิบายว่าทรงละตันหาได้เป็นอย่างไรคือพระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นผู้ทรงเป็นเอกบุรุษไม่มีเพื่อนที่สองอย่างนี้ไม่ทรงประมาทรงมีความเพียรตั้งพระไทยเด็ดเดี่ยวอยู่ทรงตั้งความเพียรครั้งใหญ่ณโคนต้นโพใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชราทรงกำจัดมารพร้อมทั้งเสนาผู้ชั่วร้าย อีกกันไม่ให้มหาชนหลุดพ้นเป็นเผ่าพันธุ์ผู้ประมาททรงละบันเทาทำให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งตัณหาที่เป็นดุจตาขา่ายสร้างไปเกาะเกี่ยวอารมณ์สมจริงดังคาถาประพันธ์ว่าบุคคลมีตัณหาเป็นเพื่อนท่องเที่ยวไปตลอดการยาวนานย่อมไม่ล่วงพ้นสังจารวัตที่มีสภาวะอย่างนี้และสภาวะอย่างอื่น ภิสุรู้โทษนี้รู้ตัณหาเป็นเหตุใี่เกิดแห่งทุกข์พึงเป็นผู้ไม่มีตัณหาไม่มีความถือมั่นมีสติสัมปชัญญะอยู่พระผู้มีพระภาคชื่อว่าทรงเป็นเอกบุรุษเพราะอธิบายว่าทรงละตัณหาได้เป็นอย่างนี้พระผู้มีพระภาคทรงปราศจากราคะโดยสิ้นเชิงจึงชื่อว่าทรงเป็นเอกบุรุษเป็นอย่างไร คือพระผู้มีพระภาคทรงปราศจากราคะโดยสิ้นเชิงเพราะเป็นผู้ละราคะได้แล้วจึงชื่อว่าทรงเป็นเอกบุรุษทรงปราศจากโทสะโดยสิ้นเชิงเพราะเป็นผู้ละโทสะได้แล้วจึงชื่อว่าทรงเป็นเอกบุรุษทรงปราศจากโมหะโดยสะิ้นเชิงเพราะเป็นผู้ละโมหะได้แล้วจึงชื่อว่าทรงเป็นเอกบุรุษทรงปราศจากกิเลสโดยสิ้นเชิง เพราะเป็นผู้ละเหล่ากิเลสได้แล้วจึงชื่อว่าทรงเป็นเอกบุรุษเป็นอย่างนี้พระผู้มีประภาคเสด็จถึงทางสายเอกแล้วจึงชื่อว่าทรงเป็นเอกบุรุษเป็นอย่างไรคือสติปทานสี่สัมมาปทานสอิทิบาทสี่อินรีห้าภละห้าพ่อชงเจ็ดอริยมรรมีองค์8ตรัสเรียกว่าทางสายเอก สมจริงดังคาถาประพันธ์ว่าพระผู้มีพระภาคผู้ทรงเห็นธรรมอันเป็นส่วนที่สุดสิ้นแห่งชาติทรงอนุเคราะห์ด้วยความเกื้อกูลทรงรู้จักมรรคอันเป็นทางสายเอกซึ่งเหล่าบัณฑิตได้ข้ามมาก่อนแล้วจากข้ามและกำลังข้ามโอคะได้ด้วยมรรคนี้พระผู้มีพระภาคสเสด็จถึงทางสายเอกแล้วจึงชื่อว่าทรงเป็นเอกบุรุษเป็นอย่างนี้ พระผู้มีพระภาคตรัสรู้อนุตตระสัมมาสัมโพธิญาลำพังพระองค์เดียวจึงชื่อว่าทรงเป็นเอเบรุตเป็นอย่างไรพื่ยาในมรรทั้งสี่ปัญญาปัญญนสีปัญญาภะธรรมวิจยะสัมโพชงปัญญาเครื่องพิจารณาปัญญาเครื่องเห็นแจ้งสัมมาทิฐิตรัสเรียกว่าโพธิด้วยโพธิญาณนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสรู้ว่า สังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ทาทั้งปวงเป็นอนัตตาตรัสรู้ว่าเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีตรัสรู้ว่าเพราะชาติเป็นปัจจัยชราและมรณะจึงมีเพราะอวิชชาดับสังขารจึงดับเพราะชาติดับชราและมรณะจึงดับตรัสรู้ว่านี้ทุกข์นี้ทุกขสหมุไทยนี้ทุกขนิโรธ นิทุกนิโรธคาไม่หนีปฏิปทาตรัสรู้ว่าเหล่านี้อาสวะนีิอาสวะสมุทัยนีิอาสวะนิโรดนีิอาสวะนิโรธคาไม่หนีปฏิปทาตรัสรู้ว่าเหล่านี้ทำที่ควรรู้ยิ่งเหล่านี้ทำที่ควรกําหนดรู้เหล่านี้ทำที่ควรละเหล่านี้ทำที่ควรเจริญเหล่านี้ทำที่ควรทําให้แจ้งตรัสรู้เหตุเกิดเหตุดับ คุณโทษและการสลัดทิ้งภาษายตนะหกตรัสรู้เหตุเกิดเหตุดับคุณโทษและการสลัดทิ้งอุปาทานขันห้าตรัสรู้เหตุเกิดเหตุดับคุณโทษและการสลัดทิ้งมหาภูตรูปสี่ตรัสรู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วน ม, มีความดับไปเป็นธรรมดาอีกนายหนึ่ง ธรรมชาติอย่างใดก็ตามที่ควรตรัสรู้ควรตรัสรู้ตามลําดับควรตรัสรู้เฉพาะควรตรัสรู้ด้วยดีควรบรรลุควรถูกต้องควรทําให้แจ้งพระผู้มีพระภาคก็ตรัสรู้ตรัสรู้ตามลําดับตรัสรู้เฉพาะตรัสรู้ด้วยดีตรัสรู้โดยชอบทรงบรรลุทรงถูกต้องทรงกระทําให้แจ้งธรรมชาตินั้นทั้งหมด ด้วยโพธิยานนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสูุอนุตระสัมมาสัมโพธิยานลำพังพระองค์เดียวจึงชื่อว่าทรงเป็นเอกบุรุษเป็นอย่างนี้คำว่าความยินดีในคำว่าบรรลุความยินดีแล้วได้แก่บรรลุคือบรรลุพร้อมถึงถูกต้องทำให้แจ้งความยินดีในเนคขมะความยินดีในวิเวกความยินดีในอุปสมะ สภาวะอันเป็นที่สงบคือนิพพานความยินดีในสัมโพธิญาณแล้วรวมความว่าทรงเป็นเอกบุรุษบรรลุความยินดีแล้วด้วยเหตุนั้นพระสารีบุตรเทระจึงกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคผู้มีพระจักสุย่อมทรงปรากฏแก่ชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลกทรงกำจัดความมืดทั้งปวงทรงเป็นเอกบุรุษบรรลุความยินดีแล้ว